สั้นๆอยู่บทหนึ่งซึ่งฟังแล้วก็คล้ายๆกับเซนนะนั่นคือว่าตัดแต่ป่านะแต่อย่าตัดต้นไม้ถ้าเอาง่ายๆก็ดูมันยากนะตัดป่าก็ต้องต้นไม้ต้องโดนตัดไปด้วยแต่ที่จริงประโยชน์นี้ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งแต่ถ้าเราจะเอาความหมายง่ายๆก็ได้นะ้คือว่าให้กําจัดทุกนะ แต่อยากกําจัดชีวิตให้กําจัดทุกข์แต่ว่าไม่ทําลายชีวิตหรือว่าให้ทําลายกิเลสแต่ไม่ทําลายชีวิตอันนี้ก็เป็นความหมายมง่ายๆี่ถ้าจะกรองให้ลึกไปกสักหน่อยนะเพราะว่าป่าเนี่ยนะมันมันเป็นคําสมมุตินะ ที่ใช้เรียกต้นไม้หลายๆต้นต้นไม้หลายๆต้นเราก็เรียกรวมรวมกันว่าป่าคําว่าป่านี่มันเป็นเพียงแค่คําสมมุติเวลาเรียกว่าป่านี่มันก็เหมายว่าเรามีภาพที่สร้างขึ้นมาในใจซ้อนอต้นไม้ที่เห็นก็เหมือนกับรูป ก, กับนามเนี่ยนะกายกับใจเนี่ยที่จริงก็มีเท่านี้แหละนะแต่ว่า เราก็สร้างภาพพิซ้อนขึ้นมาหรือสมมุติเรียกว่าเนี่ยนี่คือคนนี่คือเราไอ้คำว่าเราหรือตัวเราหรือตัวกูเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าปรุงขึ้นมาเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาในใจซ้อนกับสิ่งที่เรียกว่ารูป ก, กับนามกายกับใจ จะว่าคําว่าตัวเราความชื่อตัวเราเยังเป็นสมมุติก็ได้นะเมื่อคําว่าป่ามันก็เป็นคํามสมมติที่ใช้เรียกต้นไม้หลายๆต้นนั้นคําว่าตัดป่าแต่ว่าอย่าตัดต้นไม้เนี่ยความหมายที่เลื่อลงไปก็นั้นคือการที่ตัดหรือทําลายตัวเราหรือทําลายภาพกรุงแต่งว่าตัวเราตัวกู แต่ว่าไม่ไปทําลายรูป ก, กับนามหรือจะปูดอยานึนก็ได้ว่าเนี่ยไม่ให้ทําลายความคิดว่าเป็นคนนะหรือตัวคนนะแต่ว่าไม่ทําลายขันห้าห้เรานึกภาพนะหรือลองคิดจะพิจารณาดูนะใน คนทุกคนเนี่ยนะมันก็ประกอบไปด้วยขันห้าหรือจะเรียกอย่างนี้ว่าเราสมมติเรียกขันห้าว่าคนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งเนื้อทั้งตัวของคนเราก็มีแค่นี้แหละนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเรียกสัส้นๆว่ารูปกับหนากายกับใจแต่ว่าเราก็จะเรียบขันห้ากองนี้ว่า ในกขันห้ากองนี่ว่าในขออขันห้ากองนี่ว่านางง อ, องเงี้ยนะใช้คําว่ากอของาหรือว่าสมชายสมทรงสมซีพวกเนี้ยมันก็เป็นแค่คําเรียกคําสมมุติแต่ว่าบางทีเราก็เผลอไปอยึว่ามันมีจริงนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันไอ้ที่มีจริงก็แค่เนี่ยขันห้าเนี่ยลูกกับนาง ซอยเป็นหนยก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอกองนี้เราก็เรียกว่าคนอี ก, กองนึ่งเราก็เรียกว่าหมาอี ก, กองนี้เราก็เรียกว่าแมวมันก็เป็นคําสมมุติไอ้ที่มีจริงเนี่ยคือขันห้ารูปกับนามกายกับใจส่วนอ่ะตรงนี้เรียกว่าคนนี้เราสัตว์เนี่ยมันก็คําว่าเรียกว่างก็วบอกว่าเป็นสมมุติดังนั้นสิ่งที่อ เป็นความหมายที่ลึกลงไปนะของพุทธพจนะ์ที่ว่าเนี่ยนะตัดแต่ป่าแต่ว่าอย่าตัดต้นไม้เนี่ยก็หมายถึงให้ทำลายไอ้ความเป็นตัวเราแต่ว่าไม่ทำลายขันห้าหรือว่าไอ้ทาลายความเป็นคนความเป็นสัตว์นะ แต่ว่าไม่ทําลายขันท่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากสักหน่อยนะแต่เราก็อธิบายถ้าจะแปลงง่ายก็อย่างที่ว่านะให้กําจัดกิเลสนะแต่ว่าอย่าทําลายชีวิตให้กําจัดความทุกข์ก็ได้นะแต่ว่าอย่าทําลายหรือกําจัดชีวิตแต่ว่ามันยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ถึงนะถึงความหมายที่แท้นะของ พุทธวจนะนี้พุทธวจนะนี้นะเท่ากับความหมายควให้ทำลายความเป็นตัวเราแต่ไม่ทำลายรูปนามไม่ทำลายขันธ์ห้ไอ้คำว่าทำลายความเป็นตัวเราเนี่ยมันก็เป็นแค่ความหมายอันนี้คือทำลายความยึดถือว่ามีตัวเรามันเป็นเรื่องของการสร้างภาพในใจ ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาซ้อนทับความจริงนะต้นไม้เนี่ยคือความจริงนะแต่ว่าไอ้ป่าเนี่ยเป็นแค่สมมุติเป็นคําที่ใช้เรียกนะต้นไม้ลหลายๆต้นอันนี้ก็เป็นพุทธโพธิ่ทําชวนให้เรานึกถึงนะความแตกต่างระหว่างสมมุติสึ่งปรุงแต่งนะกับสิ่งที่มันเป็นจริงที่จริงต้นไม้นี่ก็ยังเป็นคําสมมุตินะเป็นคําสมมุตนะิที่ใช้เรียก ใช้เรียยทธาตุต่างๆที่มันประกอบกันนะเราก็เรียกว่าต้นไม้ถึงที่สุลมก็ถ้าลึกลงไปมันก็ก็คือธาตุลึกลงไปมันก็เป็นอะตอมนนะแต่ว่ามันจะลึกไปไกลไนะหมในการการทำลายเนะี่ยไอตัวเราเนี่ย แต่ไม่ทำลายไอ้ขันท่าเนี่ยหรือว่ารูปน้านเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรนะสิ่งที่จะช่วยทำให้เราได้ได้เห็นความจริงนะว่าจริงจริงแล้วมันมีแต่ต้นไม้ไม่มีป่าหรือว่ามันมีแต่รูปคานันยาขันน้าไม่มีตัวเราเนี่ยก็คือสติสตินี่เป็นเป็นเป็นเครื่องมือแรกเลยนะอย่างแรกเลยที่ใช้ สติปทาน4เนี่ยเป็นเป็นเป็นวิธีการนะในการที่จะผู้ศรัทคือสลายอัตตาสลายอัตตาเพราะว่าเป็นวิธีการที่ท่านสอนให้นะเรามาดูนะรูป มาดูเวทนามาดูจิตนะมาดูธรรมรูปนี้ก็คือกายนั่นแหละนะกายเวทนาจิตธรรมเช่นพิจารณาหรือเห็นกายในกายความหมายนี้คือว่าเห็นกายว่าเป็นกายนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, าพิจารณาพิจารณาเวทนาหรือดูเวทนาว่ามันเป็นเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะ พิจารณาจิตหรือเห็นว่าจิตเนะี่ยเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วตรงนั้นแหละก็จะทาให้เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมพิจารณาหรือเห็นกายว่าเป็นกายเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่เวลาเราเดินเนี่ยนะหรือว่ายกมือสร้างจังหวะ ย, ยกมือเคลื่อนไปมาถ้าเรียกถ้าใช้มีสติ ถ้าสติมีนะสติมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าที่เดินที่ยกเนี่ยมันเป็นรูปมันไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เรายกมือไอการเห็นตรงเนี่ยมันเป็นการเห็นความจริงแท้ที่ไม่มีการปรุงแต่งซ้อนทับธรรมดาคนเราเวลาเดินเนี่ยก็จะคิดว่าเออฉันเดินฉันยกมือมันมีกูมันมีความรู้สึกว่า ตัวกูเนี่ยเป็นผู้กระทาต่างๆแตพพ่พอพิจารณาหรือเดินด้วยสติเนี่ยนะมันก็จะเห็นว่าไอ้ที่เดินเนี่ยเป็นรูปนะมันเป็นกายที่เดินไม่ใช่เราเดินทนทำนองเดียวกันเวลาเจ็บเวลาปวดเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันมีความเจ็บความปวดเกิดขึ้น นะกับรูปแต่ไม่ใช่เราเจ็บนะธรรมดาคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสติไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะพอเจ็บปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ากูเจ็บแต่ถ้าเรามีสตินะมันก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้ที่เจ็บเนี่ยนะมันคือกายเจ็บหรือว่าความเจ็บมันเกิดกับกายนะแต่ไม่ใช่เราเจ็บ มันไม่มีผู้เจ็บนะเกิดขึ้นไม่มีผู้เดินนะทำนองเดียวกันนะเวลาโกรธเนี่ยก็เห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นกับใจเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่เราโกรธมันมีแต่ความโกรธไม่มีผู้โกรธมันมีแต่การเดินไม่มีผู้เดินนะหรือว่ากายเดินนะไม่มีผู้เดินมันมีแต่ความปวดไม่มีผู้ปวดมันมีแต่ความโกรไม่มีผู้โกรธ อันนี้เรียกว่าถอนนะถอนในความเป็นตัวกูออกมานั้นถ้าเราไม่ว่าจะทำหรือเจออะไรก็ตามถ้ามีนะสติเข้าไปกำกับเนี่ยนะมันก็จะเห็นนะแต่กายกับใจรูป ก, กับนาม มันไม่มีตัวกูนะขึ้นมาเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ทำนั่นทำนี่หรือเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้เป็นบันไดขั้นต้นเลยนะในการที่จ ะ, ะตัดป่านะแต่ว่าไม่ตัดต้นไม้ก็คือทำลายความเป็นตัวเรานะกําจัดตัวเราออกไปคงเหลือแต่เพียง รูปนามนะแล้วก็หรือขันห้าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งเลยนะในฐานะชาวพุทธเนี่ยที่จริงจังกับการกำจัดทุกข์ะนะก็คือต้องพยายามกำจัดให้ตัวเราหรือความคิดว่ามีตัวเราเนี่ยออกไปคงเหลือแต่ขันห้า ซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็เป็นความมันคือความจริงที่มันปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลานะ่แต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่าไอ้ความเป็นตัวเราเนมันบังไว้หรือความคิดว่ามีตัวเราเนี่ยมันบังมันมันซ้อนเอา น, นมันก็เหมือนกับที่เขามีคำพูดว่าเนี่ยมองเสื้อไม่เห็นผ้านะมองตุกตาไม่เห็นยาง จริงเสื้อเนี่ยมันก็มาจากผ้านี่แหละนะแต่ว่าพอเราตัดผ้าให้เป็นเสื้อเนี่ยไอ้คาว่าเสื้อเนี่ยมันก็มันก็บังนะบทบังไอ้เนื้อผ้าซะเสื้อนี่คือสมมุตดนะเวลาตัดผ้าเนี่ยกลายเป็นเสื้อเนี่ยคําว่าเสื้อนี่เป็นสมมุตดแต่สมมุตินี่บางครั้งก็บัง บางตาบางใจเราจนกระทั่งเห็นเสือ้อไม่เห็นผ้าเทั้งที่ผ้าเนี่ยมันก็มันก็ปรากฏอยู่ทนโท่อนะแต่ว่าสมมุติคาว่าเสื้อเนี่ยมันบางตุ๊ ก, กตามันก็ตุ๊ ก, กตาก็ทําจากยางนะคือพลาสติกเนะี่ยเวลามีตุ๊กตาวางอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็เห็นยางนั่นแหละนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ ไม่เห็นเพราะว่าคำว่าตุกตาซึ่งมันสมมุติเนี่ยมันก็บังเอาไว้นะมองเสื้อไม่เห็นผ้ามองตุ๊กตาไม่เห็นยางนะมองคนไม่เห็นขันท่าก็ได้มองคนไม่เห็นขันท่าหรือมองคนไม่เห็นกายกับใจมองคนไม่เห็นรูปนามมันก็อยู่ข้างหน้านี่แหละนะจริงอยู่นะไอ้คำว่านามหรือว่า เวทนาสัญญาสงฆรวิญญาเป็นนามธรรมานะที่มันไม่ใช่เห็นด้วยตานในที่นี่มันหมายถึงการรับรู้นะด้วยใจมองคนเน่ยไม่เห็นรูปนามมองคนไม่เห็นขันห้านะแต่ถ้าเรานะแต่ถ้ามีสติมาเมื่อไหร่นะมันก็จะทะลุดทะลวงมันก็จะทะลุดทะลวงไอ้ไอ้ภาพคนนะลงไปเห็น ขันทาก็เหมือนกับฟิล์มเอ็กซเรย์นะเหมือนกับเอ็กซเรย์คือเอ็กซนะ์เรย์เอ็กซเรย์นี่ยนะถ้าไม่เอ็กซเรย์นมันก็เห็นคนนะเป็นอ่าเป็นตุ้นเป็นก้อนนนะแต่พอเอ็กซเรย์ไปนีโอมันเห็นข้างในเลยเห็นข้างในแบบทรุรลปโ ป, ปร่งเลยเรียกว่าทะลุหนังเพนะื่อ์เรยมันทะลุหนังนะไปเห็น อวัยะต่างๆส ต, ติก็คล้ายๆเป็นกับกินเครเเลนะมันมองทะลุสมมุติหรือความเป็นคนความเป็นตัวกูเนี่ยเห็นความจริงนะพื้นฐานคือรูปกับนามกายกระใจไอ้ความเป็นความว่าคนหรือเราเนี่ยนะมันเป็นสมมุติมันเป็นสิ่งปรุงแต่งนะที่ใช้ที่ ใจจิตเนี่ยมันสร้างขึ้นมาซ้อนของจริง น, นะคือขันธ์าคือรูปนามหลวพ่อองค์เกศนั่ใช้คาว่าถลุงนะการเจริญสติคือการถลุงเวลาเราใช้คำนี้กับแร่นะแร่เนี่ยสมมติมีก้อนแร่ก้อนหนึ่งล้วก็ถลุงนะจนกระทั่งมันมีแร่ที่มีค่านี่ยแยกออกมา การเจราญสติเปนการถลุงหรือว่าเป็นการาทำให้เห็นความจริงพื้นฐานคือรูปนามมองทะลุไอตัวกูหรือภาพสมมุติว่าตัวกูเนี่ยไอความจริงนี่สำคัญเลยนะถามว่ารู้ไปทำไมนะไอการที่รู้รูปนามมันก็ทำให้ เราเนี่ยนะหรือจิตเนี่ยมันเพิกถอนไอ้ความคิดว่าเป็นตัวกูได้พราะที่จริงแล้วความทุกขคนเราเนี่ยนะโดยเพราะความทุกข์ใจนะมันก็มีศูนย์กลางหรือร่างเงาอยู่ที่ไอ้ความคิดว่าเป็นตัวกูของกูเวลาเสียงด่า ก, กระทบหูเนี่ยทําไมถึงทุกข์ใจนะกายไม่ทุกข์สักหน่อยนะแต่ว่าทาไมมันทุกข์ใจนะนะก็เพราะ มีความรสึว่าเขาด่า ก, กูเขาด่า ก, กูมันมีตัวกูออกไปรับทำไมเวลาปวดขาเมื่อยขาเนี่ยมันจึงทุกข์มากเพราะว่ามันมีตัวกูนะไปเป็นเรียกว่าไปออกรับมีตัวกูไปออกรับความเจ็บเป็นกูเจ็บกูเจ็บ ไอ้กูเจ็บนี่นะโหมันมันมากกว่าความรู้สึกว่าขาเจ็บนะหรือว่าปวดเท้าอาจารย์พุทธท่า น, นเคยเปรียบเทียบว่าเนี่ยเวลาโดนมีดบาดนะคนที่รู้สึกว่ามีดบาดกูเนี่ยนมันจะเจ็บแต่รู้สึกเจ็บกว่าคนที่เขาเห็นหรือรู้สึกว่าเอบมันบาดนิ้ว ระหว่างกูเจ็บกับนิ้วเจ็บนี่มันต่างกันนะความรู้สึกว่ามีดบาดกูเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเจ็บมากกว่าความการที่เห็นว่ามีดบาดนิ้วเพราะว่ามีดบาดนิ้วมันแค่นิ้เจ็บนะแต่ว่ามีดบาดกูเนี่ยไม่ใช่กายเจ็บอย่างเดียวนะใจมันก็ทุกข์ไปด้วยนั้นท่ากับว่าเราสามารถที่จ ะ, อะมองเห็นแล้วเ่า ไอ้ที่เจ็บนี่มันเป็นกายเจ็นะไม่ได้กูเจ็เนี่ยความทุกข์มันจะเบาบางมากอย่างมีเรื่องเล่า ว, ว่าตอนที่หลวงปู่บุตรดาท่านไปผ่าเอานิ้วออกเรื่องนี้คงจะประมาณสักห้าสิบหกสิบปีมาแล้วเพราะว่าหลวงปู่บุทธดาก็มรณภาพาไปยี่สิบห้าปีตอนมรณภาพมีอายุหนึ่งร้อยผ่าเสร็จไม่ถึงสิบห้าทีท่านก็บอกหมอว่าเนี่ยไม่เป็นไรล่ะ เขาชั่วแล้วคือท่านจะกลับวันละหมอบางก็แปลกใจนะหลวงปู่ไม่เจ็บเหรอคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านยังบอกว่าเจ็บเลยมวนโอ้ยโครสเจ็บหลวงปู่ทําไงไม่เจ็บอาารท่านตอบว่าเจ็บจีทํำไมไม่เจ็บนะแต่ว่าใจมันไม่ได้เจ็บไปแต่ท่านบอกว่าเจ็บจีทําไมไม่เจ็บร่างกายหลวงปู่เหมือนคนธรรมดานั่นแหละแต่ใจมันไม่ได้เจ็บไปกับกายด้วย อ่าที่ใจไม่เจ็บไปกับกายเพราะท่านเห็นว่าโอที่เจ็บเนี่ยมันเป็นกายที่เจ็บหรือมันความเจ็บมันเกิดกับกา ย, ยมันไม่ใช่กูเจ็บเนี่ยกายเจ็บไม่ใช่กูเจ็บเนี่ยเพราะนั้นใจมันก็เลยไม่ทุกมากอนะ้นิมก็ช่วยนะช่วยลดความทุกข์ไปได้ถ้าเห็นถ้าเราเพิกถอนหรือกาจัดความรู้สึกว่าตัวกูออกไปหรือแต่กายกับใจรู้กับนามเนี่ยนะ ความทุกข์ไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจมันจะลดลงไปเยอะเลยไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ว่ามีอะไรมากระทบก็ตามรื่องที่ว่าเนี่ยคนเดี๋ยวนี้ไม่ทุกกายนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ทุกใจมากทุกใจเพราะไม่ว่ามีอะไรมากระทบก็ตามเนี่ยถ้าเป็นอิทธารมก็ดีไปนะอิทธาลมก็คือ รู้รดกลิกก่นเสียงสัมผัสรวมทั้งธรรมารมณ์ที่น่าพอใจแต่ถ้าเมื่อเจออนิจฐารลมเนี่ยรู้ลบรูกรลิกก่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือเหตุการณ์ร้ายๆอย่างที่เขามอกจะแปลเป็นสูตรว่า เ, เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกข์นครานนี้แล้วนะโอ มันก็จะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจถึงแม้จะไม่มีอะไรมาสัมผัสกายหรือได้ซ้ำนะมีแต่รูปรสกลิ่นเสียงแม้กายจะไม่ทุกข์นะแต่ใจมันทุกขนะ์เลยณเดือนนี้เนี่ยแม้ว่าสัมผัสนะที่มากระทบแม้ว่า ผทัพพะเนี่ยหรือว่าสัมผัสทางกายเนี่ยมันจะไม่เหมไม่ค่อยมีอะไรที่มาบีบคั้นหรือว่าเสียดแทงร่างกายแต่ว่าก็ยังทุกข์เพราะรูปรสกลิ่นเสียงหรือว่าธรรมารมคือภาพที่คิดนึในใจเนนึกย้อนไปถึงอดีต ที่ถูกเขาโกงถูกเาหักหลังทรยศนะอันนี้ก็เจ็บเลยนะคือทุกข์ใจเกิดความกลัวเกิดความแค้นนึกถึงสิ่งที่สูญเสียไปคนรักของเราที่สูญเสียไปก็ก็เศร้าเสียใจนอันนี้ก็ทุกข์ใจกายก็สบายดีนะใจมันทุกข์เจอภาพที่ไม่น่าพอใจเจอหน้าคนที่ไม่ชอบกายมันเฉยเฉยนะทีแรกนะแต่ว่าใจมันทุกข์เลย คือโกรธหรือเห็นภาพที่ภาพอุปติเหตุเนี่ยภาพคนตายกายมันไม่แรกแไม่มีอะไรนะแต่ใจนี่มันสะดุ้งมันหวาดเสียวแล้วก็ส่งผลต่อกายในเวลาต่อมาหรือทันทีเลยคือหัวใจเต้นความดันขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียวหรือความโกรดก็ต่ามทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็โยงมาถึงเรื่องตัวกูนะเวลาเห็นคนตายเนี่ยนะเห็นอุบัติเหตุนเนี่ยมันก็ไปกระแทกนยะให้ความรู้ว่าถ้ากูเป็นแบบนี้นี่กูแย่าะแน่เลยหรือว่ามันไปเตือนให้รึกว่าเนี่ยสักวันหนึ่งเราต้องตายสัวันหนึ่งกูต้องตายเหมือนคนที่ นอนอยู่ข้างหน้าเนีนั่นแลาที่ใจของเราเนี่ยมันยังยังมีความยึดในตัวกูนเนี่นะมันก็จะยังทุกข์เนี่ยทุกข์ไม่เลิกใจมันทุกข์ม่ว่ากายมันจะสบายก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะการการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยนะไม่ว่าเราจะ ให้ทานแค่ไหนรักษาศีลเพ็นงใดมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่มากมายในสิ่งที่ทิ้งไม่ได้นะคือการภาวนานหรือว่าการตรมิปัสสนานะเพื่อเพิกถอนนะให้ตัวกูคงหลือตารูปนามหรือว่าขันห้านะไปไหนไปไหนก็ไม่ต้องพ่วงตัวกูไปด้วย ก็รู้เพียงแค่มันเป็นสมมุติเช่นเลยวกาความเป็นนายกนางขอหรือเป็นพระเป็นโยมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแล้พวกนี้มันก็สมมุติที่มันไม่ได้เกิดมาดืนเพื่อตั้งแต่แรกความเป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็มันเกิดขึ้นเมื่อมีลูกนะพอลูกเกิดปุ๊บเนี่ยความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามมาเลย พ่อแม่ที่เกิดทีหลังลูกนะพ่อแม่ที่เกิดทีหลังลูกในที่หมายถึงความเป็นพ่อเป็นแม่นะคือต้องรอให้ลูกเกิดก่อนนะจึงเรียกว่าสามจึงเรียกสามีว่าพ่อเรียกภรรยาว่าแม่ถ้ายังไม่มีลูกก็ยังแค่สามีและภรรยาอันนี้เป็นความสมมุตินะที่มันเกิดขึ้นมาเราใช้เรียกมันไม่ได้มีหรือมาตั้งแต่ ตั้งแต่แรกความเป็นชาวพุทธความเป็นคนไทยก็เหมือนกันมันก็มาทีหลังมาทีหลังความเป็นคนความเป็นมนุษย์แล้วความเป็นมนุษย์นี่มันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เรียกเนี่ยขันห้าอย่างนี้ว่าเรียกมนุษย์ถ้าขันห้ากองนี้เราเรียกว่าหมาเราเรียกว่าแมว อันนี้เป็นความจริงที่มันเข้าใจยากแต่ว่าเราปฏิบัติได้นะโดยการเจริญสตินะั่นหลายคนมาภาวนามาปฏิบัติทำเจริญสติก็หวังความสงบนะอยากให้ใจมาสงบนะแต่ว่าสงบที่ว่ามันก็เป็นสงบชั่วคราวนะมันไม่เพียงพอหรอกจนกว่าจะเห็นหรือเกิดปัญญาว่าเกิดปัญญาคือเห็นสัจธรรมนะ ไม่ว่าจะเป็นความจริงที่เราเรียกว่าไตาลักษณ์เวทนิจจังทุกขารตะตาหรือความจริงที่เราเรียกว่าขันธ์ห้าการเจริญสติเนี่ยะไม่ว่าจะรู้กายหรือรู้ใจเนี่ยนะที่แรกมันทําให้ใจสงบแต่ก่อนนี่เป็นคนหงุดหงิดง่ายเป็นคนขี้กังวลเป็นคนขี้โมโห แต่พอเรามีสติไว้ขึ้นนะมันก็เห็นอารมณ์มันก็รู้ทันอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเห็นปุ๊บอ่ะมันสงบเลยความวิตกเกิดขึ้นพอมีสติเห็นมันปุ๊บมันสงบเลยออารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นตอนเราเผลอเผลอฟุ่งเผลอคิดไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่พอเรามารู้สึกตัวหรือรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยในชั่วขณะนั้นเนะ่ย นะความกวนก็ดับไปความวิตกกังวลก็ดับไปความเศร้าก็ดับไปมีความสงบเกิดขึ้นแทนทีนะ่แค่นี้ก็มีประโยชน์แล้วนะจนะึงบอกว่าเนี่ยเมื่อตั้งแต่วันเมื่อวันก่อนเนี่ยไอ้ข้ามไอ้ความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยสําคัญมากที่คนเท่าคนแก่ก็ให้พร ล, ลูกหลานแนะให้รู้เนื้อรู้ตัวนะอันนี้เป็นพรที่พิเศษมากนะ วิเัยกว่านี่ยวิเศษกับการบอกว่าเนี่ยขอให้รวยนะขอให้มั่งมีสุสขนะขอให้ประสบความสําเร็จขอใเป็นเจ้าคนในคนนะเพราะถึงแม้พรที่ว่ามันจะเป็นจริงนะมันก็ไม่ได้แปลว่าจะหมดทุกนะคนที่ำรวยคนที่เป็นเจ้าคนในคนที่พาตัวตายก็มีเช่นอันนี้เพรละอะเพอเขาลืมตัว เ, เขาไม่รู้เม่รู้ตัวอ่นะ การรู้นึตัวเนี่ยสำคัญมากเลยนะมันประเสริฐมากคนสมัยก่อนเขาก็ให้พรที่เรียกว่ามันประเสริฐอย่างยิ่งแล้วสั้นๆดูไม่ไม่บวชวาเนะียแต่ว่ามันมีความหมายมากถ้าสามารถจะเกิดขึ้ น, นกับเราได้ให้การเจริญสติมันทำให้เรา กลัมารู้นึกรู้ตัวเร้วพอกลัมารู้นึกรู้ตัวเร็วมันก็หลุดจากอารมณ์คืออารมณ์ที่มันทําให้ทุกข์ก็ดับไปมันเกิดความสงบนะแต่ว่าความทุกข์มันยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังยึดในตัวกูอยู่จนนะพอมีคนมาดาาม่าก็โกรธเนี่ยแต่อาศัยมีสติไว้อะสติมันช่วยดับดับทุกข์เป็นคราวๆไป แต่ว่าทุกเนี่ยมันก็พร้อมจะเกิดได้ตลอดเวลาถ้ายังมีความยึดในตัวกูอยู่ของหายไปก็าโกรธเก็เสียใจเพราะมันยืดว่าของกูของกูไม่ใช่ของกูที่เป็นสิ่งของมันทีก็ลูกของกูลูกป่วยลูกไม่สบายเขาก็พ่อแม่ก็ทุกข์มากเลยเพราะความยื่ว่าเนี่ยลูกของกู แต่พอ ม, มีสเตอร์ลิตมันก็วางให้ความกังวลความเครียดได้แต่ว่าความเศร้าความเสียใจความวิตกก็ยงโผล่ขึ้นมาเป็นระยะระยะจนน้อนไม่หลับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นนะเห็นความจริงขั้นพื้นฐานว่ามันไม่มีตัวกลนะัของกลัจะมีได้อย่างไรไอ้ตรงนี้แหละนะที่จะทําให้ทุกข์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเศร้าโกรธวิตกกั ง, งวลมันมันถูกถอนรากถอนโคนไปมันเป็นการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงนะไม่ใช่เป็นการดับทุกข์เป็นค ร, คราวๆด้วยสติกเนี่การที่ถอนหรือดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงก็ต้องอาศัยปัญญาที่เห็นความจริงนี่แหละทัานยิบพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยให้ตัดแต่ปลายตัดต้นไม้เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากให้ทําลายความเป็นตัวเรา นะคงเหลือแต่กายกับใจคงเหลือแต่ขันธ์ห้านะอันนี้แหละนะที่เป็นความหมายที่ลึกที่สุดนะของอพุทธพจนนี้แต่ถ้ายัางเข้าใจยากก็เอาเป็นว่าออให้กำจัดกิเลส น, นะแต่ว่าไม่กำจัดชีวิตให้กำจัดทุกข์นะแต่ว่ายังมีกายกับใจความหมายเท่านี้ก็ ก็มันก็ช่วยไ้เยอะแล้วนะแต่ว่ามันจะยังไม่ทำให้เราได้ได้เห็นล่างเงาของทุกข์ที่แท้จริง น, นะนั่นก็คือไอ้ความยึดว่ายึดในตัวกูของกูนี่ซึ่งมันเป็นจะเรียกว่าเป็นล่างเงาของกิเลส ก, ก็ได้เพราะพ อ, พอมพอียึดมาตัววงกูกิเลส ก, ก็เกิดขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะหรือตัณหามนตทิฏฐิ เราใชนในกัทธรนี